อาจารย์ครับกล่าวรำราชการครับผมอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับจะต้องกล่าวเรียนถามอาจารย์เมือ่อวานคนเยอะแน่เลยครับอาจารย์เมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานคนใส่บาทเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเมืม่อวนนี่หนึ่งพันสองร้อยสิบสองคนโอ้โหก่อนนี้เกือบได้พันสองร้อสิบโอ้โหจะพะคนที่ไปยืนยืนใส่เลยใช่ไหมที่บ้านอีกประมาณสี่ร้อยบา โลักสายที่บ้านเมื่อวันทักสี่ร้อยได้ครับผมเมื่อวันตรงหลายวันใช่ไหมครับอาจารย์วันเสาร์วันพระวันพระใหญ่วันพระใหญ่กอะไรเยอะวันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันวันนี้ก็หกรอยกว่าหกร้อยสิบสี่โอ้ครับผมอาจารย์ใช้เวลาบินถบานยาวนานขึ้นเยอะเลยครับมันมันเมื่อวันนี่เกือบสามชั่วโมงสชั่วโมงขึ้นโอ้เรจะกลับถึงวัดเก้าโมงเก้าโมงกว่า เริ่มประมาณหกโมงสิบห้าบินน บ, บัตกว่าจะเสร็จก็เกือบเก้าโมงครับผมครับผมสาธุกกับทุกท่านครับแต่เราช่วงดีไม่ต้องเดินนั่งรถสบายดีดีอะค่าฟ้าจานเพราะว่าก็ดีอย่างเ <c oughs> จ็บหลังก็เลยไม่ได้เดินก็เลยได้นั่งรถก็เลย <ๆ S 1> ไม่เหนื่อยแตะถ้าต้องเดินมันคงไม่ไหวคงจะเป็นลมนะนะตรงเกือบสามชั่วโมงโอครับผมครับ สาธุครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็เลยเป็นเป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้ยสี่สบสี่รัอาจารย์ก็สืบเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันมาคบูชาครับจริงๆผมอ่านโอวาทปาติโมมาหลายครั้งก็เห็นอยู่สามข้อแรกครับวันนี้เพิ่งเห็นหกข้อต่อมาครับอาจารย์ที่บอกว่าต่อข้อต่อมาไม่เคยฟังเลยครับอาจารย์ก็เลยวันนี้ขอโอกาสอาจารย์ขยายความให้พวกเราได้ปัญญาด้วยขาผมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่า จำไม่ได้เห wow มือนกันเดี๋ยวผมอ่านให้พระาจารย์ฟังได้ครับผมดีไีอยู่พระเที่คุณมาส่งมาครับผมอ่าแล้วดีจังเลยครับอาจารย์ก็เลยโอ้ไม่เคยเห็นเลยครับก็คือเมืองตรวเงาสอนสามข้อใหญ่คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อบาปถ้าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็ต้องละต้องหยุดทำแล้วก็สร้างกุศล บุญทั้งหลายถึงพร้อม่ า, เ, าเป็นการสร้างความสุขให้กับใจแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดเอากิเลสตัณหาตัวที่พาให้มาวินว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้เป็นุสามข้อใหญ่แล้วต่อมาจะส่งสอนข้อรายละเอียดความดกั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคันติ ปลมัตาเป้าีติขาเนี่ยคือคนที่จะต้องการสู้กับกิเลสเนี้ต้องมีความอดทนเพราะว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะสร้างความรู้สึกทรมานเลทรมานใจอย่างยิ่งถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ก็จะสู้มันไม่ไหวแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายสกล่าวพระวิพานเป็นธรรม อันยิ่งไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพรนิพพานดืวยความสงบสุขของจิตใจที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนั่นเป็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่นายตายเกิดของจิตใจด้วยรูปรกับจัดสัตวอื่นรูปรกับจัดสัตวอืนอยู่ในไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตก็คือถ้าถ้าเป็นนักบวชบรรพชิตก็ต้องเป็นผู้ที่สำรวม การกระทาต้องไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็คือต้องตั้งอยู่ในศีลนั่นเองพระก็มีศีลสองข้อยิบเจ็ดก็ที่จะต้องรักษารักษาความเป็นบนรรพชิตความเป็นนักบวชก็เช่นเดียวกับผู้ทําสัดอื่นให้ลำบากอยู่ในเชื่อเป็นส ม, มณะเลยถ้าเป็นพระแล้วยังไปมีปัญหากับชาวบ้านอยู่นี่ก็แสดงว่า ไม่ได้เป็นปนันหานะเราต้องยอมยอมยอมอยุดเย็นไม่ใช่ไปขึ้นขึ้ น, นลงศาลดยฟ้องสารญาติโยมอะไรกันพาะมีทางเดียวเทา้มีปัญหาพาพก็ปีกตัวไปอยู่ที่อื่นเสียทังหมดเรื่องถ้าอยู่แล้วไปท้างปัญหากับคนอื่นก็ก็อย่าไปอยู่ นี่เราก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาบ่นว่าบินตาบา ท, ทําให้รถติดเขาอยากจะให้เรื่องบินตาบาเราก็จะเลิกไปบินตบา ท, ที่อืนไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกันใช่ไหมครับม <c oughs> แ, แต่แต่คนจะเสียโอกาสไปเยอะเลยนะครับอาจารย์เพราะเขาคงตามไปอยู่ดีเขาเดี๋ยวว่าตามไปหาที่ใหม่กัเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาใส่ที่บ้านอำเภอก็ไม่ใช่คนบ้านอำเภอ คนก็ต้องขับรถมาจากที่ใกล้ที่ไกลคนที่พื้นที่กระสายก็ร้อยกว่าคนทุกวันที่ใส่วันธรรมดาร้อยส0อคนก็นจะเป็นคนพื้นพื้นที่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่จะมีเพิ่มเป็นสี่ห้าร้อยคนก็เป็นคนมาจากพื้นที่อื่นแต่นี่ไม่ไม่ไม่ไ้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้คิดอะไร แบบเอาจริงเงจริงนะก็แต่ถ้ามันเกิดมีปัญหาจริงๆก็อขอร้องว่าไม่เป็นดาบได้ไหมก็ก็สร้างให้เขาเดือดร้อนรถเขาติดเขาจะไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ อ, อาจจะต้องทําตามที่เขาขอร้องเราก็ไปเป็นตบาบ ท, ที่อื่นที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็การไม่พูดร้ายก็คือไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายผู้อื่น การสรํารวมในปาฏิโมกข์และสำรวมในศีลสองร้ยี่สิบเจ็ดข้อนี้ศีลของบ้านนี้เรียกว่าพระปาฏิโมกข์มีการสวดพระปาฏิโมกข์ทุกกล่มเดือนเพื่อทบทวนศีลข้อห้ามต่างๆของพระทุกสิบห้าวันวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำหรือแรงสิบห้าค่านี้จะมีพระลงพระอบโอเบสดแล้วก็ฝังพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นคน สวดเมื่อท่องสีล227ข้อเพื่อเป็นการทบทวนทบทวนความจำเพราะจะได้ไม่มีเป็นข้ออ้างว่าลืมไปจำไม่ได้ต้อ ง, ตองตอแต่ละข้อข้อหนึ่งคือราชิกสีไล่ไปยนงข้อเสกีอันนี้ต้องมีการทำทุกทุกทุก15วัน แล้วก็ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเนีก็เรารับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่ารับประทานเพื่อความตัญหาความอยากแล้วเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินจิตตภาวนาเวลาภาวนาจะได้ม่ง่วงเหงาเหานอนคนที่ภาวนาแล้วนั่งหลับกันนี่ก็เพราะว่ากินมากไป อย่างคาว่าญาติโยมนี่มีปัญหาถ้ารับประธานมันละสามมื้อแล้วมานั่งสมาธิมาเพ่จะหลับกันเพ่จะม่วกันถึงต้องอย่างน้อยต้องถือศีลแปดไม่รับไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนรู้จักประมาณกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินอย่า ก, กินตามความอยากกินตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการกินอาหารวันละมือ้อเพื่ออยู่ได้ แล้วการ <c oughs> การการ น, นั่งนอนในที่นั่งอันสงัดก็คือการไปเปลี่ยนวิเว้กันเลยคำว่าสงัดก็คือความสงัดวิเว้ไม่มีอะไรมารบกวนใจไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าป่าวัดเขาเพื่อที่จะได้เจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นรวมเป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมา แล้วก็มันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็มันปฏิบัติทมภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่ก็คือข้อสรุปของของคำสอนของพระเจ้าในพระโอวาทาปฏิโมกข์อ่านแล้วแบบโอ้แค่ทำหกหกข้อนี้ให้ได้นี่ก็สงบลมเย็นเลยนะครับพระอาจารย์ถึง <c oughs> ถึงเป้าหมายแล้วเนาะแล้วรับอาาย เป็นเป็นข้อที่จะช่วยเสริมในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ศีลสมาธิปัญญาคแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่สนับสนุนในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีความเมตตาคนจะรักษาศีลต้องมีความเมตตานอกจากให้หอภัยไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นอันนี้มาจากบทบทเมตตาที่เราสวดกันเนี่ย เอเวลาหุต be ุไม่จองเว้นกันอายาปัจจ้าหุนตุไม่เบียดเบียนกันอานิฆาหุตุไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขียะธนาบริหารหลตุให้ความสุขกต่อกันเพราะถ้ามีความเมตตาลราจิตจะสงบเย็นเวลาภาวนาก็จะไม่มีนิวรณ์เช่นความโกรธก็จะไม่เกิด คุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับวัวนมาค้าที่วัดก็มีเวรเทียนด้วยใช่ไหมครับผมมีที่วัดนี่จะมีเวรเทียนอยู่สามวันด้วยกันวันมาค้าวันมิสาขะแล้วก็วันเข้าพรรษาแต่ารยผมจะพยายามเอาหกข้อนี้ไปปฏิบัติต่ตอไปครับอาจารย์ครับ ล, ลองดูเป็นเครื่องเรื่องสนับสนุนในการปฏิบัติ มีเวลาเจออะไรไม่พอใจก็พยายามสงบที่สุดครับไม่ไม่พูดไม่ว่าไม่อะไรไม่ผลพยายามผ่านไปผ่านไปผ่านไปยัมันก็ผ่านไปครับผมกลับขอ บ, ขอบคุณพระอาจารย์ครับจะขอโอกาศถามคําถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับผมมีคําถามฝากถามมาครับจากแม่ชีครับบอกว่าสภาวะอุเบกขาอัตโนมัติในภาวะขับขันตอนเหตุการณ์ความเป็นความตายไม่ได้เกิดกับทุกคนใช่ไหมครับ ก็ต้องมีฝึกสตินั่งสมาธิเขาเข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานสี่แล้วมีปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะเป็นอัตโนมัติมันก็จะอยู่กับใจไปตลอดถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้มันจะไม่มาเองนอกจากว่าอดีตชาติเราเคยทํามาแล้วมันก็ยังติดมากับใจเราอยู่คุณแว่นครับ การไม่รู้ทุกเป็นสมุทัยผลจากการไม่รู้ทุกเป็นทุกการรู้ทุกคือมรคผลจากการรู้ทุกคือนิโรธเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับมันในในอริยสัจเศษนี้เขาบอกให้เรารู้ทุกให้เรารู้จักทุกไม่ใช่ไม่ให้รู้ทุกนไม่รู้ทุกเป็นทุกคถ้าไม่รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ก็เห็นก็ว่าก็ได้ ให้เรารู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายเมือเรารู้ว่าอกองไฟนี่มันอันตรายเราก็ไม่เข้ากไปในกองไฟหรือเรารู้ว่างูเห่านี่มันเป็นพิษเป็นอันตรายเราก็ไม่เข้าหางูเห่าเป็นจันได้ให้รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่เป็นที่ตั้งที่เกิดที่เกิดของความทุกข์ ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เกิดก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการที่จะไม่เกิดกันจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กันการที่เราจะไม่มาเกิดได้เราก็ต้องหยุดสาเหตุที่พายเรามาเกิดกันสาเหตุที่พายเรามาเกิดกันก็คือความอยากสามประการนี่ความอยากเสพกามรูปเสียงกลินก่นรสกรรมวาตัาหา ความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาเราก็ต้องหยุดมันหยุดเสพรูปเสียงกิน่นลดไปบวชไปทึ้งศีลแปะไปแล้วก็หยุดความอยากนี้อยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยก็ตัดไปอยากจเจริญในโล ก, กธรรมสี่นี้ก็ตัดไปเรื่อความอยากไม่ ไม่เป็นก็นคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็ห้ามไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปก็จะทำให้ทุกขอนนี่คือสามประการความอยากสามประการที่พาให้เรามาเกิดถึนถ้าเราอยากจะยุติการเกิดก็ต้องละสามความอยากทั้งสามประการนี้ให้ได้การที่เราจะละได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะละก็คือมร มัวก็คือศิลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือมรรคที่มีองค์แปดนี้เป็นมากคันเดียวกันให้ปฏิบัติถ้ายังเป็นคารวะยังยังใช้เงินทองเพื่อมาดับความทุกข์อยู่กาเล่าใช้เสียเพราะเงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ได้ เ, ดเงินทองอาจจะมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายได้ทั้งปัจจัยสี่ซึ่งปัจจัยสี่เมื่อ แต่ถ้าเอาเงินทองไปดับความทุกข์ใจนี่ดับไม่ได้ดับก็ดับได้แบบชั่วคราวเช่นเราไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปเที่ยวกันสักพักหนึง่งเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆไปแต่เดี๋ยวพอเรากลับมาแล้วก็มาเจอเรื่องเดิมอีกนั่นเราก็จะทุกกับมันมาการใช้เงินทองนี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ให้หยุดใช้เงินทองจะหยุดหาเงินทองจะได้มีเวลา มาใช้วิเครื่องดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือการรักษาศีลปฏิบัติสมาธิและปัญญาต่อไปถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้ละตัณหาทั้งสามได้ทุกก็จะไม่เกิดการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีทุกข์ตามมา คุณศิริการครับเวลาเราตายไม่จําเป็นต้องรดน้ําศพได้หรือไม่ครับก็ไม่มีจิตอยู่ในกายแล้วครับอ๋อไม่ต้องทําอะไรก็ได้กว่ยให้มันเน่าเปื่อยไปก็ได้คนสมัยก่อนเขาก็เอาผ้าหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าวิธีง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทรรมเสียผ้าใช้แค่ผ้าพัานพันศพแล้วก็ไปทิ้งในป่าช้าให้แหลงกามากัดมากิ น, กนไปเ ป, ป, ป, ป็นอาหารแหลงกาไปอืม การลดน้ําศพนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราช่วยชำระร่างกายของเขาครั้งสุดท้าย แ, แสดงความหรืออาจจะเป็นพิธีของพราหมในพราหมว่าอาจะถือว่าเป็นเป็นการให้ความเคารพต่อผู้ล่วงลับไปแล้วพราหมณนี่ก็ชอบใช้น้ําใช้ขวดน้ํำ้ากใช้น้ําล้างบาศมาก เช่นวันวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาที่ผ่านมานี้ก็เป็นวันที่เป็นเป็นวันสําคัญของศาสนาพราหมณ์เป็นวันที่เขาจะบูชาพระศิวะและชําระบาปด้วยการลงแปอาบน้ําในแม่น้ําต่างๆแม่น้ำลำธารต่างๆพราหมณ์นี่ก็เชื่อเรื่องการใช้น้ําทําอะไรต่างๆทําพิธีกรรมต่างๆเอาน้ำํำชาระร่างกายเพื่อล้างบาป วเวลากรวดน้ำอุที่ส่วนบุญส่วนผู้ถยก็ใช้น้ํากรวดนี่มันเป็นเพลงแต่ส่วนประกอบเป็นไม่ใช่เป็นตัวตัวตัวจริงตัวจริงเวลาจะอุทิศบุญนี้เราก็ไม่ต้องมีน้ําอุทิศก็ได้เพราะบุญอยู่ในใจแล้วอุทิศบุญเราไม่ได้อุทิศน้ำํำเรากำลัง เ, เล็กภายในใจพ่าเราทําบุญนี้แล้วก็ขอให้แบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร้องรับไปอันนี้ คนไ ม, ม, ไม่มองไม่เห็นบุญเพราะบุญมันเป็นนามธรรมาเขาก็เลยเอาเอาน้ามาแทนบุญให้เห็นว่า เ, าเนี้ยอันที่คุณเท น, น้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปอียภาชนะหนึ่งคุณกำลังส่งบุญจากใจของคุณไปสู่ใจของผู้ที่ร้องรับไปแล้วเท่านั้นเองแทนพิธีรดน้บศพก็ดีเก็บไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ดีนิมนต์พ้ามาสวดอะไรก็ดีหลังนี้ไม่ต้องทำเลยก็ได้ ให้บางคนเขาก็บริจากร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วก็จบใช่ไหมพอตายไปก็บอกให้โรงพยาบาลเขามารับศพไปก็ไม<ๆ>่ต้องทาพิธีอะไรทั้งสิ้นคุณสุดใจครับถ้าคนยากจนมากไม่มีเงินทําบุญหรือทําทานแต่เลือกทําออกแรงแทนเป็นจิตอาสาไปช่วยงานต่างๆได้บุญเท่ากับการบริจาคซับไหมครับได้ก็เหมือนกันค่ะ เพราะว่าเวลาเราทํางานทําการเราก็ต้องได้รับค่าแรงนี่เราก็ไม่เอาค่าแรงเพื่อยกค่าแรงนี่เป็นบุญทำามีการทําบุญไปก็ได้บุญเหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินอย่างเดียวไม่มีเงินไม่มีเวลาแต่มีความรู้ก็สามารถอุทิศความรู้นี้เอาเอาความรู้ที่เรามีนี้มาสอนคนอื่นโดยไม่คิดสตังไปได้อย่างคุณหมอเนี่ามา สารมาให้วิทยาทานต่อท่านผู้ชมพวกเราอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการทำทานอย่างหนึง่งพอมาได้ดเงินทองจากผู้ที่เข้ามาชมมาดูมาฟังให้ครีการให้นั้นท่านบอามีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งให้วัดให้ข้าของเงินทองเย่าวัดถุทานให้ให้ใหวิให้ความรู้วิชาวความรู้ก็วิทยาทาน ถ้าให้อภัยก็ให้อภัยทานถ้าให้ถ้าให้ธรรมะก็เรียกว่าธรรมทานการให้สี่อย่างนี้การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าการให้สี่อย่างอื่นการให้อย่างอื่นนี้ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนของร่างกายแต่ไม่สามารถไปกําจัดความทุกข์ทางใจได้ ถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ทางใจนี้ต้องให้ธรรมะเพลงอย่างเดียวคุณวันเพลญครับลูกน้อมนำภาพกระโหลกศรีรษะในหนังสือกายคตามาฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิกรรมอัตถิเพ่งภาพกะโหลกรู้สึกจิตโล่งกายเบาพิจนารณาร่างกายว่าถ้าไม่หายใจก็จะกลายเป็นโครงกระดูกไม่มีตัวตนเวลาจะตายเพ่งภาพกะโหลกได้ไหมครับ ก็เราเป้าหมายของการเพ่งาพาวนี้ก็เพื่อให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาท่านหนึ่งเวลาตายเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราสามารถให้งโลคโคลกโคล ก, กโลกสีสัจจนกระทั่งจิตเรานิ่งไม่มีความรู้สึกตกใจกวาดกลัวกับความเป็นการตายแต่ต้องฝึกมากๆเาะเวลาทําการบ้านกับเวลาทาข้อสอบมันไม่เหมือนกันทําการบ้านมันยังไม่เจอของจริง เช่นไปเจองูลพลาสเติกนี้แะงูยาง น, นี่เรายังรู้เปงูยางอยู่ต้องไปเจองูจริงๆแล้ดูสิว่าเราจะทําใจให้นิ่งเฉยได้หรือเปล่า <c oughs> คุณซีตบอกว่าไปฟังทำนากุติเมื่อวานนะครับบอกว่าดีมากทําให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติให้ดีขึ้นครับตอนนี้ก็เลยไล่ฟังทำมาขอพระอาจารย์ย้อนหลังครับจธาคุณวชิรวิทย์ครับ ไม่ผิดศีลเพราะกลัววิบากกรรมที่จะตามมาทั้งที่บางครั้งก็เกือบจะอดใจไม่ไหวแต่ก็ไม่ทําอย่างนี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางธรรมหรือไม่ครับอันนี้นนเรียกว่ามีอดตปะอดตบะก็คือความกลัวต่อผลของกรรมที่เราทำํำมันก็จะทําทให้เราไม่กล้าทําบาคุณนทักษ์สภักครับ ผมขอสอบถามการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมการปฏิบัติแบบใดที่มีผลในการทำสมาธิได้ดีกว่าครับผมมันก็อยู่ที่ว่าความสามารถของเราเราสามารถทำทาอะไรได้เลยถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็นั่งเลยไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้แต่ถ้าว่าเรานั่งสมาธิแล้วจิตยังฟุ้งอยู่ยังไม่สงบเราก็อาจจะใช้การสวดมนต์มาก่อบใจให้หายฟุ้งก่อน เราค่อยดูลมหายใจและบริการพูดโทต่อไปหรือถ้าว่าเรานั่งแล้วรู้สึกเมื่อยทนไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นมาเดินสมาธิแทนมันเดินจงกรมแทนมันจเจริญสติด้วยการเดินจงกรมไปก่อนเทียนกว่าร่างกายจะหาเจ็บหายเมื่อยเราก็ากลับมานั่งสมาธิต่อแต่ในที่สุดเราก็ต้องทําสมาธิในท่านั่งเท่านั้นจิตจะรวมได้เป็นสมาธิเข้าฌานได้ต้องอยู่ในท่านั่งท่าอื่นนี้เข้าไม่ได้เข้ายาก คุณนิดาครับเราจะร่วม ง, งานกับคนที่เราเกลียดและเกลียดเราอย่างไรดีให้ใจเราไม่ทุกข์ครับเราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยเขาจะเกลียดเราก็ปล่อยเขาเกลียดเราไปเรามีหน้าที่ทําอะไรของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปอย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปหลังให้หวังให้เขาไม่เกลียดเราแล้ ว, เ ร, เ, ลวเราก็อย่าไปเกลียดเขาเราก็รมีความเมตตาว่า เรื่องของเขาเขาจะดีจะเชื่อมมันไม่ใช่เรื่องของเราคุณวันทนีครับเลียนถามเรื่องความเมตตากรุณาไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าช่วยเขาได้เราก็มีความสุขถ้าช่วยไม่ได้หรือช่วยได้ไม่เต็มที่ใจเราก็จะเป็นทุกข์ห่วงคิดวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆควรจะทําอย่างไรดีครับขอความเมตตาครับถ้าเราช่วยแล้วช่วยไม่ได้แล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องมีเราก็ต้องจเจริญอุเบกขา ก็ต้องปล่อยวางว่ามันสุดวิสัยเกินความสามารถของเราที่จะไปช่วยอะไรเขาได้เราไปทุกข์ก็ไม่ได้ไปไปไปช่วยเขาดีขึ้นแต่อย่างใดกรักมาทาให้เรา่นีทุกข์ไปเปล่าๆงั้นเมื่อเราทําไม่ได้แล้วอยู่ในขีดที่มันเกินความสามารถของเราเราก็ต้องตรงว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไปเป็นบุญเป็นกรรมของเขาเขาทำนำําอทำกรรมอะไรไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมของเขา แต่งนี้ถึงแม้จะมีคนมาช่วยก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของเราแล้วที่ทําให้ไม่มีใครมาช่วยเขาได้คุณมาริสาครับตอนนี้ที่สนามหลวงมีการเปิดให้ประชาชนนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรคําถามคือข้อที่หนึ่งครับเราจะได้อานิสงส์อย่างไรจากการนมัสการครับ คือการมีพระธาตุนี่นก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกก็เหมือนกับว่าเราได้ประกาศร่างกายของท่านบางส่วนขอร่างกายของท่านก็คือกระดูก ข, ของท่านที่กลายเป็นวัฏฏะไปะก็ได้ได้กาศประกาศพระศาสนาได้ปรกาศพระโมคคัลลานะได้กราศพระสารีบุตร ข้อที่สครับถ้านนมัส ก, การทางโซเชียลจะได้รับอนิสงเหมือนกับการไปนมัส ก, การสถานที่จริงไหมครับคือการที่เราไปนมัส ก, การในเป้าหมายของเราก็เพื่อเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติคือให้เราเสริมความศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะพร ะ, ะรันตนสาวกมีจริง การทำคสอนของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารตสาวกุลในก็มีปีกิงอันนี้คือเป้าหมายของการที่เราจะไปกราบนวัสการ์สังเวยสถานต่างๆเรือไปกราบพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีของว่าสาวก็ดีพ เ, ดเพื่อให้เราได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแต่งกันขึ้นมา ข้อที่สมครับการนััสการมีข้อกําหนดให้แต่งกายด้วยสีสุภาพงดเว้นสีดำเพราะสีดําเป็นสีอั ป, ปมงคลจริงหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นความเชื่อของโลกสมมุตนสีมันไม่มีมงคลก็ไม่มีอัปมงคลงค ล, ล้เพียงล แ, ลแต่เราเอาไปผูกไว้กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เรียกว่าเป็นอั ป, ปมงคลเช่นเราสีดาไปผูกกับเรื่องความตายอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องอั ป, ปมงคล ความจริงความตายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเพียงแต่ว่ากิเลสของเราไม่ชอบความตายมันก็เลยเราก็เรียกว่ามัเป็นเรื่องอัปมงคลกันความจริงความตายมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเมือนกับการเกิดเมัน ก, ก็การแก่การเจ็บมันก็เป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่มันไม่มีมันไม่มีเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลมันเป็นสัจรูธรรมความจริงแต่เราไปผูกไว้กับไปไปเพราะความรักความชังของเราแล้วก็เลยไป ถาสิ่งงานที่เราชางแล้วก็เป็นอัปมงคลสิ่งงานที่เราชอบเราก็เรียกว่ามันเป็นอัเป็นมงคลนั่นเองคุณนัดว่าไลาพันธ์ครับเมื่อตายแล้วบุญและบาปเท่ากันจึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนจึงมีต้นทุนของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่บางคนทํำไมเกิดมาอยู่ในตระกูลที่รวยมากๆและบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่จนมากๆเป็นเพราะสาเหตุใดครับก็เพราะว่าบุญที่ทําไว้มั น, มน มันมันยังสามารถส่งผลให้เรามารับอนิสงค์ของบุญที่เราทําอยู่เชนวันนี้ก็เทศเรื่องบารมีสิบเนี่ยว่าคนเรามีค่าแตกต่างกันเพราะในอดีตเราสร้างบารมีไม่เหมือนกันคนที่สร้างเมตตาบารมีไว้มากมาเกิดก็จะมีคนรักคนชอบไม่มีใครเปรียดชัง่งคนที่สร้างทานบารมีมากมาเกิดก็จะมาร่ำมารวยมาเกิดในในกองมรดก ของมาเกิดเป็นลูกของคนรวยคนที่รักษาศีลไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายชีวิตของผู้อื่นและไม่ทําร้ายร่างกายของผู้อื่นเวลามาเกิดก็จะเป็นร่างกายที่สมประกอบไม่เป็นพิกลพิการมีอาการครบสามสิบสองไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานอันนี้มันเป็นอ น, นิสงส์ของบุญที่เราทำํำถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ที่เราเราไปใช้มันหมดแล้วก็ตามแต่ มันก็ยังมีตกค้างอยู่ที่จะมามีผลกระทบต่อการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ั้งต่อไปด้วยถ้าเราเจริญเมตตามาบาลเมีเราก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสมถะเรียบง่ายแล้ว ไ, ไม่ชอบชอบการสวางหาความสุขจากแสงสีเสียงต่างๆชอบอยู่แบบเรียบง่ายอยู่กับความสงบถ้าเรามีอุเบกขาบาลเมีเราก็เป็นคนที่ชอบไป เข้าสมาธิเพรเวลาเรานั่งสมาธิใจเราจะสงบเบีอวเบคาเป็น ค, ความสุขก็จะไปเป็นนักบวชกันคนเป ค, คนเกิดมาแล้วก็บวชตั้งแต่เด็กก็มีอย่างสมเด็จพระญาณสังวรนี่ท่งนก็บวชตั้งแต่ท่านเป็นสมณะแสดงว่าในอดิตชาติท่านมีเนคข ม, มา ร, รมลมีไมโอเบขาบารมีมาติดตัวมาท่านไม่ชอบชีวิตแบบที่พวกเราชอบกันชอบเที่ยวชอบกินชอบเด่น เันชอบความสงบอยู่กันตามลำพังอันนี้มันนียมันติดเป็นนิสัยมากับใจอันนี้ไม่ได้เป็นจะไปเรียกว่าบุญก็ไม่เชิงบุญันเป็นการกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเรามาเราชอบเราเราชอบแผ่เมตตาเราชอบให้ความเมตตากับผู้มันก็จะติดเป็นนิสัยมาเราชอบทำบุญทำทานมันก็จะติดเป็นนิสัยมาก็เลยทำให้คนนิสัยต่างกันไปด้วยะไรนะครับจาใช่กันด้วย คุณดำครับพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกแตกต่างกับพระอรหันต์ประเภทอื่นอย่างไรครับก็พระอรหันต์มีสี่ประเภทด้วยกันไงพระอรหันต์ที่เป็นเป็นพระอรหันต์ด้วยการสิ้นกิเลสอย่างเดียวคือดับความโลภกดลงหมดขึ้นไปจากใจแต่ไม่มีความสามารถพิเศษนก็เป็นพระอรหันต์ชนิดหนึ่งชนิดที่สองก็เป็นพระอรหันต์ที่ได้ได้ได้อิทธ ฤทธิฤท ธ, ธติต่างอภิญยาหกนี่มีตาทิพย์หูทิพ์อะไรทำรนองนี้ก็เรียกว่ามีอภิญยาแล้วผ้าหลานในพวกน่งก็คือมีความสามารถระลึลกชาติได้ระลึอกอนิจชาติได้แล้วชนิดที่สี่เป็นผ้าหลานที่มีความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมจำแ น, นกแยกธรรมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึง่ง เช่นในบรรดาสาวองทั้งหลายพระเจ้ายกย่องพระสาวริบุตรว่าเป็นสุดยอดของสาวกงค์ในเรื่องของความสามารถในการแสดงธรรมรอมจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี่ก็คือพระอาจานย์สี่ประเภทพระอาจารย์มร่วมไม่มีความสามารถเลยเพียงแต่มีความสามารถดับดิเล็ของตนเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถสัมสอนคนให้มีลูกศิษย์ให้คนเป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ อหลวงศิลหลวงปู่มั่นเนี่ยแต่ละองค์ก็ไ ม, ม่มีความสามารถสอนคนได้ไม่เท่าเทียมกั น, นที่มีคนติดตามวันเยอะก็หลวงปู่ชาหลวงปู่หลวงตามหาบัวธรรมะของท่านท่านแสดงนะมันติดอกติดใจค น, นพราอาจารย์ลูกอื่นบางทีท่านก็มีชื่อรู้ว่าท่านเป็นพระอาจารยแต่ท่านไม่ค่อยมีธรรมะสั่งสอนเพราะท่านไม่มีความสามารถในทางนี้ท่านอาจจะมีความสามารถในทางอื่น ถ้าไม่สั่งสอนธรรมะแต่ท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยท่านอ่านจิตใจของคนนั้นคนนี้ได้ท่านอนุชาดได้ก็มีท่านติดต่อกับเทวดาได้ก็มีอันนี้เป็นความสามารถพิเศษคุณโซร่าครับเมื่อเราอยากได้กระเป๋าใหม่แต่เราไม่ต้องการทำตามกิเลสจึงนำเงินที่จะซื้อกระเป๋าไปทำบุญ แต่ใจกลับไม่ได้รู้สึกอิ่มเต็มกับการทำบุญนั้นเพราะยังรู้สึกเสียดายกระเป๋าที่ไม่ได้มาอย่างนี้เราจะได้บุญเต็มที่หรือได้แค่บางส่วนครับก็ได้ส่วนที่เราได้ชนะความอยากกิเลสที่เราอยากย้ายเอาเงินไปซื้อกระเป๋าถ้าเราอยากจะได้ความอิ่มใจสุขใจเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขใจเราอาจจะชอบช่วยสุนัขเราก็เอานนี้ไปช่วยสุนัขถ้าเราอยากจะช่วย อ, องค์กรในองค์กรหนึ่ง ที่เราคิดว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกแล้วเราก็ไปทําก็ต้องเลือกไงมันเป็นการทําบุญเหมือนก็เป็นเหมือนอาหารกินอาหารบางทีเรากินอาหารอิ่แต่ไม่มีความ ส, สุขใจจากการกินอาหารนั้นเราก็บางทีเราก็าาต้องเลือกกินกินอาหารชนิดนี้ได้ความอิ่มแล้วเงังได้ความสุขใจจากการกินด้วยมันก็การทําบุญถ้าเราอยากจะได้ความอิ่มอบใจเราก็ต้องเลือกเอา บูรชนิดที่ทำให้เราเกิดความอิ่มเ อ, อิบใจขึ้นมาเหมือนกับเลือกการรับเลือกอกอาหารที่เราจะรับประทานนี่เองคุณวันชาติครับขอโอกาสเรียนถามครับเมื่อทำสมาธิจนข้ามเวทนาได้แล้วจิตตั้งมั่นคำถามว่าเมื่อจิตตั้งมั่นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นเองหรือต้องนำอาการสามสิบสองมาพิจารณาครับคือเรื่องของปัญญานี้มันมีหลาย มันมีหลายหลายเรื่องที่เราจะต้องแก้ไงคือเราคือเรื่องของเช่นเราเรื่องเรายังกลัวความตายอยู่หรือเปล่าถ้าเรากลัวความตายเรากต้องพิจารณาความตายพิจารณานานกายให้เห็นว่านามกายเป็นสิ่งที่ไม่เทีย่ยงมันจะต้องตายแล้วเราก็ต้องยอมรับความตายนห้ไเหมือนกับเรายอมรับเวตนาเราก็รับความความตายไปให้ได้ถ้าเรายังมี คามอยากที่จะเสพการอยู่ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เพราะเห็นว่าเขารูปมล่าหน้าตีหน้าตาสวยงามเราก็ต้องดูร่างกายของเขาอย่างแท้จริงให้ชัดเจนว่าภายใต้ผิวหนังของเขานี้มีส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมอยู่เยอะแยะถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังของเขาได้เราก็จะสามารถละการมาราคะที่เกิดขึ้นในใจเราได้ เรื่องของมีปัสสนาญาณ น, นี้มันมันต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราจะต้องการจะทําว่าเราจะทําโจทย์ข้อไหนเรื่องต้นการเนี่ยพอเราได้สมาธิแล้วจิตเราตั้งมั่นแล้วเราก็ต้องมาทําโจทย์ที่เรื่องของขันห้าก่อนเรื่องของร่างกายและเวทนาก่อนตอนเราข้ามเวทนา น, นี้ถ้าเราข้ามด้วยสติมันก็ยังยังเรียกว่าไม่ใช่เป็นการข้ามแบบแบบแบบท้าวอน ช่วงไหนถ้าเราไม่มีสติเราก็จะข่าวิทนาไม่ได้ถ้าเราจะต้องการข่าวิทนาแบบสาวนาวนแเราต้องใช้ปัญญาเราต้องพิจารณาวิทนาว่ามันเป็นตายละมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนิจจังไม่มีใครไปข้ามไปควบคุมมันเข้ามั น, มนได้แต่อนัตตาถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทาให้เราทุกข์ใจได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเวทนายอมรับเวทนาทุกทุกชนิดสุขเวทนาก็รับได้ทุกเวทนาก็รับได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับได้รับรับด้วยปัญญาเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ที่เราทุกพรเราอยากจะเอาแต่สุขเขาเวทนาพอเจอทุกขเก์เวทนาเราก็แปลความอยากให้มันหายไปอันนี้ก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราเวลาเกิดทุกข์ก็เวทนาเราก็ต้องเฉยเฉยปล่อยมันอยู่ไปเราก็จะข้าเวทนาแบบถาวรได้ต่อไปเราก็จะไม่มีปัญหากับเวทนาอต่อไปทุกข์กเวทนาอีต่อไ ป, อ, อ, ไปอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาข้อศึกษาหาข้อมูลมาที่มันจะมาต อ, ตอบโจทย์คือความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้เราไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ให้เราทุกกับการแ้มีการารมณ์การ้มการอยากจะร่วมหลับรอนกับคนอื่นคุณศิวพรครับเมื่อจิตแยกออกจากกิเลสแล้วจิตเราจะรู้จะอยู่อย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรจิตกับกิเลสจะทำงานร่วมกันอีกไหมครับก็บางเวลาคุณก็มีกิเลสไม่ใช่บางเวลาคุณก็ไม่มีกิเลสตอนนี้ตอนนี้คณนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีกิเลสไม่ใช่ ก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันอยู่อย่างสบายแต่ถ้าไม่มีกิเลสก็สบายพอมีกิเลส ข, ขึ้นมาอยากจะหาอะไรมาดื่มนี้ถ้าไม่ได้ดื่มก็เริ่มจกเกิด อ, อาดใจขึ้นมานะอย่างเราไม่ต้องการมีกิเลสเราต้องการ ก, กำจัดกิเลสกิเลสเหมือนไวรัสในร่างกายเหล่านี้เองเวลาเรามีไวรัสมีเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นเรว่าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไม่มีกไวรัสไม่มีเชื้อโรคร่างกายเราก็ปกติเป็นปกติสุข ก็จิตใจก็แบบเดียวกันเวลาไม่มีกิเลสจิตใจก็อยู่อย่างปกติสุขแต่พอมีเกิดกิเลสขึ้นมานี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะพราออยากได้อะไรขึ้นมานี้ต้องไปหามาแล้วคุณดีซีครับกับเรียนถามเมื่อนั่งสมาธิไปจะรู้สึกว่าตัวเอียงไปข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นลองลืมตา ม, มาตัวก็เอียงไปจริงๆควรจะแก้ไขยอย่างไรได้ครับตัวจะได้ตรงตลอดครับ การทำสมาธินี่เมื่อเราเริ่มเริ่มเริ่มทำสมาธิเร า, mm. เ, ราเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเอ็นไปทั้งด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็อย่าไปสนใจให้เราพวาวนาของเราไปเรื่อยๆให้อยู่กับการภาวนาถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆส่วนร่างกายมันจะเอ็นบ้างมากน้อยก็เรื่องของมันไปปล่อยมันไปร่างการมันจะเอน็นกระทั่งมันคว่ำ ข้ามลงไปก็ค่อยมาตั้งใหม่แต่เราอย่าไปยุ่กับร่างกายเพราะถ้าเรายุ่งกับร่างกายก็เหมือนเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ <Okay. S 1> เรากําลังดึงใจออกจากร่างกายดังนั้นพอเราเริ่มดึงใจออกจากร่างกายแล้วอยากกลับไปเกี่ยวข้องกับร่างกายกล่อให้ร่างกายมันอยู่ไปตามเรื่องของมันมันจะเอ็นไม่เอ็นก็เรื่องของมันบาทีจิตเราก็ปรุงแต่ง้ามาหลอกเราเองก็กมีเมือน แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราเผลอแล้วบอยให้ใจไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราต้องกลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อไปถ้าเราใช้ลมก็ดูลมต่อไปคุณทีครับเวลานำปัจจัยหยอดตู้ทําบุญหรือทําออนไลน์หรือทําบุญต่างๆควรจะกล่าวอะไรครับเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าไม่ควรขออะไรก็รไม่ต้องกล่าวแล้วไม่ต้องขออะไรเะว่า นอกจากจะขออโหขอให้ได้ทำบุญอย่างยิ่งเรื่อยๆไปทําได้มากเท่าไหร่ยินดีขอแบบนี้ก็แล้วกันขอให้ได้ทําอย่าไปขอผลผลจากการกระทําเพราะถ้ามีการกระทําแล้วผลมันมาเองแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลที่เราอยากได้ก็ได้เช่นเราอยากจะสอบได้เราก็เราไปบริจากกันหยอดตู้เข้าไปมันก็สอบไม่ได้เพราะการจะสอบได้มันต้องดูหนังสือใช่ไหม ไมใ่มาหยอดเอาเงินหยอดตู้แล้วมันจะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาไม่มันไม่ไ ป, ไ, ปไม่ได้เฉะนั้นขอก็ที่ขอไม่ขอผลที่มันจะเกิดจากการกระทํามันก็มาเองเช่นการทําบุญทำทานก็จะทำให้เราชนะความตนีชนะความโลภแทนี่จะยำเงินไปซื้อของที่เราโลภอยากได้ก็เอาเงินไปทําบุญอย่างนี้นะว่าชนะความโลภ บางที่เราไม่ไม่เอาไปใช้อะรเราหัวมีอย่าจะเก็บไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาทําบุญเราก็จะชนะความตนหนีได้อันนี้เป็นเป็นผลที่เราจะได้จากการทําบุญจับคุณแซนครับอายุไขของคนแต่ละคนสั้นยาวต่างกันเพราะเหตุใดครับก็มีหลายสายเหตุด้วยกันทางทางร่างกายก็มีสาเหตุของมยอยัน ร่างกายบางร่างกายมันก็มี ม, มีกรรมอภัณฑ์อมีโลกที่มันมีติดมาจากพ่อจากแม่เราก็ทําให้ร่างกายของบางคนนี้เกิดมาแล้วก็อายุไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม่ยืนยาวนานนอกจากเรื่องของกรรมอภัณฑ์เรื่องของร่างกายแล้วมันก็เรื่องของกรรมที่เราทํามาในอดีตถ้าเราเคไปเบียดเบียนไปทําร้ายสัตว์ไปทำร้ายผู้ ไปทำทรมานเขาตัดแข้งตัดขาเขาหรือไปท่าค่าเขาเงี้ยเราก็มาเกิดเราก็กรมวนี้ก็ จ, จะมาทำให้ร่างกายของเราที่อยาก จ, จะเป็นร่างกายปกติไม่ปกติขึ้นมาก็ได้ก็อาจจะเกิดหูหนวกตาบอดแขนขาขาดไดอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมมันมีหลายสาเหตุด้วยกันคุณการครับ เทวดาทำบุญได้ไหมครับเช่นถ้าเขามาช่วยเหลือคนมาใส่บาตรพระอย่างนี้ทำได้ไหมครับโดยปกติแล้วก็เทวดาก็จะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่เพราะเขากําลังไปเสกสุขกันเวลาผลขอ ผ, ผลของบุญที่เขาทำกันยกเว้นว่าถ้าจะมีกรณีพิเศษที่บางกระตุ้นให้เขาทำบุญก็อาจจะได้ทำบุญเช่นแม่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นเทวดาพระเจ้าก็ไปเยี่ยมไปสแสดงธรรมไปโปรดนี่ ก็ได้ได้ทำบุญด้วยการทังเทศฟังธรรมไปได้ปฏิบัติธรรมไปถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นเขาก็จะเพลิดเพลินเกกับการไปเสด็บุญของเขาเท่านั้นเองคุณชมชนกครับที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์แมวที่เพื่อนบ้านมาขึ้นรถของโยมเป็นรอยเท้าแมวทั้งคันจึงนำจะไปจะทำให้อู่ทาสีช่างตีราคามาสอง0 0ันบาทโยมไปแจ้งเจ้าของแมวขลับฟังแล้วเฉยเฉยไม่ตอบสนองกลับส่วนแมวก็ยังคงปล่อยมอนเดิม โยมต้องทํำยังไงดีเจ้าคะ่ะแจ้งความดีได้ไหมผ้าคุมรถก็ขาดหมดเพราะฝีมือแมวสามตัวครับขอพระอาจารย์เมตตา้วยครับก็เราต้องการความเมตตาเราต้องการเป็นความเมตตากับเขาหรือเปล่าถ้ามีความเมตตาก็คิดว่าทําบุญไปก็แล้วกันอย่าไปมีเรื่องมีราวกันให้อภัยกันไปหรือถาวิธีป้องกันหามาตรการป้องกันอาจจะหาภาาที่มัน ทนทานต่อการขี่กวนของของแมวก็ได้อาัาษณ์นานๆขึ้นมาหน่อยถ้าเราไม่อยากจะมีเรื่องมวลาไม่มีเวรมีกรรมต่อกันเราก็ต้องหรือก็ต้องพยายามพูดคุยกับเขาดีๆขอร้องเขาถ้าเขายังนิ่งเฉย อ, อยู่เราก็ต้องทำใจเป็นโอเบขาไปว่าช่วยนะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะมีปัญหากับเขาเราก็ใช้เมตตาใช้อเบกขาไป เมตตาก็คือไม่จองเวรจองกรรมกันไม่อาฆาตพยาบาทไม่โกรธเขาแล<ม>้วก<ม>็ใช้เบกอร์ทำใจเฉยๆไปเที่ยวเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาอยู่กับเขาแล้วกันคุณเขมจิลาครับถ้าถอดห่วงก็จะไม่มีห่วงห่วงที่ว่านี้ของโยมคือห่วงลูกที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูห่วงพ่อห่วงแม่ที่ต้องดูแลถ้าโยมละห่วงนี้ไปได้ปฏิบัติอย่างเดียวกรรมที่ละทิ้งห่วงนี้จะติดตัวไปด้วยไหมครับ ไม่หรอกเขาจะจากว่าก็ละห่วงละบ่วงทั่นก็นไปบวชนะบวช้วถ้าบรรลุธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรติดกรรมทั้งหมดก็จะไม่สามารถติดตามไปได้ต่อไปมีคุณปูเป้ ค, คอมเมนต์บอกว่าหากปาญญา้าจารย้ายจุยพิธบาต้องบอกด้วยนะครับจากนครปฐรมไปใส่บาร์ที่ช <c oughs> นบุรี <c oughs> <c oughs> จริงเป็นสาวเขา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้พูดเป็นแบบเป็นจริงปนจังอะไรนะพูดในลักษณะว่าถ้าเป็นนักบวชถ้าว่ามีปัญหาเราใครก็อย่าไปมีเรื่องเวลาวถอยดีเป่ายอมแพ้นี่เป่ายอมหยุดเย็นเรื่องก็จบลงวันนี้ลูกศิษย์ที่มาช่วยถ่ายบาลบางทีเขาก็ยังโกรธนที่มีคนมาพยายามบ่น <ๆ S 2> ว่าเราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเขาเขาทะเลาะกันเลยก็มี เราให้ใจเย็นๆอย่าไปมีเรื่องเวลากันเขาเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆเ้าก็เลยต้องบว่นว่าเอาไปไหนมาไหนรถมันติดมันไปไม่ทันอะไเราก็ต้องมองความเป็นจริงของเราถ้าเราเป็นเหตุที่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนเราก็ต้องยอมรับถ้ า, ามีวิธีการแก้ไข ย, ยังไงได้ก็ต้องแก้ไขไปไม่ใช่มายึดถือว่าเราเป็นพระเราลก็ลิุสิตรับใช้พระต้องคนต้องยอมพระ อ, อันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้อง พระก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้เนีนย่าเป็นพระที่แท้จริงใช่ไหมถ้าพระไปสร้างความเสียหายเดี๋ยวล้วพางกับพระผู้ก็ไม่ถือว่าเป็นพระแล้วล่ะอย่างที่ในในอุวาธปฏิมกได้แสดงไว้ ค, คุณโชติกาครับขอโอกาสเรียนถามครับโสดาปฏิมากรกับโสดาปฏิผลต่างกันอย่างไรครับและช่วงเวลาจากโสดาปฏิมากรเป็นโสดาปฏิผลจะห่างกันนานเป็นปีไหมครับ ก็โสดาปฏิมคก็เป็นเหมือนขั้นตอนที่เรากำลังจะกลังจะก้าวไปสู่โสดาปฏิทินเช่นเหมือนกับการที่เราเรียนปริญญาตีนี้ปริญญาตีนี้เรียกว่าผลผลนี่เกิดจากการเรียนสี่ปีถ้าเราไม่จะเราเราไม่เรียนสี่ปีเราก็รับปริญญาไม่ได้ใช่อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะเจะเริยนโสดาปฏิมาเราก็ต้องจะเริญนศีลสมาธิปัญญาต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วก็มาพิจารณาขันห้าว่าไม่ไม่มีตัวตนเปน็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาดนกว่าเราจะปล่อยวางขันห้าได้เราก็บรรลุเป็นโซดาปฏิผลณได้เพราะฉะนั้นการจเจริญ ม, มากก็คือการศึกษาการปฏิบัติศินสมาธิปัญญาในขั้นของพระโสดาบัณก็คือเรื่องของศินเรื่องของขันห้านี้ คุณมุก ค, ครับลูกเอาผมที่ร่วงสะสมให้ได้กองหนึ่งแล้วนําไปเผาไฟเมื่อเผาเสร็จแล้วจะได้คีเท่าสีดําเป็นผงๆและไม่กลิ่นควันไฟและขามาเหลาติดมือแล้วจะพิจารณาอย่างไรต่อไปครับไม่ทรา้องไปพิจารณาแบบนี้ด้วยมไม่เข้าใจความหมายว่าทําทําเพื่ออะไรก็พิจารณามันทุกอย่างมันเป็นของไม่ที่มันมีก่อนแล้วก็มีดับไปผมที่มัน อยู่ในสีสันแล้ววัต่อไปมันก็ต้องร่วงโรยไปคนก็ศีสันล้างขึ้นมาอให้รู้ว่านี่คือเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มีแต่ของที่ไม่เที่ยงข้างในที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเลยอวัยวะต่างๆต่อไปมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆหัวใจมันก็จะเสื่อมลงอะไรนะต่างๆมันเสื่อมลงเวลาแก่มันก็จะเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเพราะความเสื่อมของสังขารนี่ ให้พิจารณาแบบนี้ไม่ใช่เป็นพิจารณาแล้วเผาไฟอัไรไม่เข้าใจาทําไปเพื่ออะไรคุณมาริสาครับหลายๆคนยอมเสียงเงินมากมายเพื่อรักษาตัวเองหรือหาวิธีการทําให้อายุยืนยาวเป็นเพราะกลัวความตายใช่ไหมครับเป็นเพราะาาร อ, อยากจะอยู่ด้วยมันน่าเป็นภาวะตันหางก็คืออยากทจะอยู่นานๆวิภาวะตันหาก็คือไม่อยากตายมันไปด้วยกันสองตัวนี้มันเป็นเพื่อนกัน ความอยากอยู่แล้วความไม่อยากตายเพราะยังอยากจะเสกกลามยังอยากเสก ร, รูปเสียงกลิ่นลดอยู่แต่ถ้าเลิกการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้ก็จะอยู่จะตายก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วครับที่เรายังอยากจะอยู่เพราะรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสกรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เราเอยากจะอยู่ไม่อยากจะตายกันแต่ถ้าเราละ การมาตัดหาความอยากจะเสรีรูปเสียงกลิ่นรดผลผลภัพฑ์ได้เพราะเรามีวิธีหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องเสรีรูปเสียงกลิ่นลดเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเน้นกายร่างกายจะอยู่จะตายมันก็เท่ากันเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องหาความสุขอีกต่อไปคุณออเด้ครับ สองวันได้มาฟังธรรมะที่น่ากุติได้ใส่บาตรพระอาจารย์ได้กราบพระอาจารย์เหมือนได้มาเติมพลังชีวิตจริงๆนะครับสาธุนะคุณธรรมะสตรีมครับเขาโอกาสครับถ้าที่ทำงานแล้วเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกับัวหน้าแล้วรู้สึกว่าความเห็นของัวหน้าเป็นความเห็นที่เห็นแก่ตัวแต่ก็ต้องทำตามควรวางใจอย่างไรดีครับก อ, อวางใจว่าเราเป็นลูกน้มมองเขาก็ เ, าเป็นเจ้านายแล้ว เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาสั่งเราได้เราเป็นคนที่ต้องรับคำสั่งจากเขาแล้วก็ทำตามคำสั่งของเขาไปถ้าเราอยากจะทำงานกับเขาถ้าเราไม่อยากจะทำงานกับเขาเราก็บอกเขาได้เลยว่าเขาไม่ดีอย่างั้นไม่ดีนัแล้วก็ลาออกจากงานไปยล้มันจะร้ายเขาไหมเราออกไปพระอาจารย์ครับแล้วสองวันนี้ที่น่ากุฏิมีคนเยอะเลยไหมครับอาจารย์ ก็วันมาค่าก็สามร้อยกว่าประมาณสามร้อยกว่าวันนี้ก็สองร้อยกว่าอย่างนี้ทำที่ทั้งทำทําลังคาการแดดเพิ่มขึ้นอีกสองหลังด้วยกันที่น่ากติก็เลยมีที่ร่มนั่งกันได้เยอะขึ้น ค, คุณสุภาพครับเวลาสวดมนจะมีอาการหาวและมีน้ําตาไหลตลอดอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับมันจากกิเลดเพรเวลาสวดมนมันไม่ค่อยมี ตื่นเต้นเล้าใจเหมือนกับการดูภาพยนตร์หรือกับการนั่งเล่นการนั่งเล่นภัยกันนี้รู้สึกจะไม่ก้อยหาวเท่าไหร่ข้างเล่นไพ่นั่งดูหนังดูละครนี่มัน ห, ห, ห, หายหายหายหาวเลยน้ําตาไม่ไหลเลยคุณสติวครับการเมตตาต่อตัวเองควรจะทําในลักษณะไหนได้บ้างครับกลัวจะเป็นการตามใจกิเลสครับ ไม่มีหรอกการเมตตากับตัวเราก็คือการทําความดีต่างๆนี่คือการการเมตตากับตัวเราอย่าไปทําบาปทําบาปแล้วไม่ไม่ได้เป็นการเมตตากับตัวเราเพราะเราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราอย่าทําตามกิเลสเนี่ยว่าการทํากิเลสก็สร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานี่คือความเมตตากับตัวเราก็คืออย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทําความดีต่างๆ คุณเขมจิลาครับพระเจ้าห้ารอชาติหรือทศชาติช า, ชาดกคือส่วนหนึ่งของคําสอนที่สื่อว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงมีกรรมในอดีตชาติใช่ไหมครับใช่พราะพระุทธเจ้าก็ยังเป็นบุตรชนเหมือนพวกเราอยู่เนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายในเท่นั้นเองก่อนหนนั้นท่านก็ทําบุญทํากรรมเหมือนกับเราแล้วก็ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปรับผลกรรมของท่านมาบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์โดระชั้นก็มี คุณจิรพัฒนครับถ้าการสอนหรือเตือนมารดาบิดาเป็นการไม่สมควรทําแม้ท่านทั้งสองจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนโยมควรปล่อยท่านไปตามอารมณ์ของท่านคอยเฝ้าดูและรับฟังทําได้เท่านี้ใช่ไหมครับทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถูกไหมครับเพื่อตอนที่เราไม่เกิดท่านก็ทะเลากันอยู่ไม่ใช่นะก่อนที่เรามาเกิดท่านก็เขาก็อยู่กันด้วยกันมาเขาก็อยู่กันด้วยกันได้ไม่เราต้องไปเกี่ยวข้งของเขาเลย นอกจาว่าเขาขอร้องให้เรามาห้ามคอยเตือนหน่อยนะถ้าเกิดทะเลาะกันช่วยมาเป็นกรรมการให้หน่อยเราก็ไปทําแต่ถ้าเขาไม่มาขอร้องเราเราก็อยากไปยุ่งในเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นเด็กคุณแดนนี่ครับนั่งสมาธิทุกวันจําเป็นต้องเดินจงกรมด้วยไหมครับประยชนที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้านั่นแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นก็นั่งกันนั้นเอง ถ้าเราจะปฏิบัติทั้งวันต่้งแตตื่นจนหลับเนี่ยเราจะนั่งนั่งทั้งวันไม่ได้เมื่อนั่งเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อเป็นการนั่งสมาธิแบบเดินได้ดินสมาธิแการใช้สติก็เหมือนกันเวลานั่งเราดูลมหายใจก็บริกรรมพุโทโธเวลาเดินเราก็บริกรรมพุโทโธไปดูดูเท้าของเราไปอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง คุณปียพนครับรู้สึกเบื่อนหน่ายภาระทางโลกมากพยายามนั่งสมาธิให้จิตนิ่งบ่อยๆคิดบ่อยๆว่าจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วอย่างนี้มีโอกาสไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไหมครับไม่หรอกยังกลับมาเกิดอยู่การคิดเฉยๆไม่หยุดไม่ได้ต้องไม่หยุ ด, ยดเทที่ทำให้เรามาเกิดบ่อยๆก็เกิดต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราคุณอมเลศครับ เมื่อมีคนทําให้โกรธพระพุทธเจ้าบอกว่าทําใจให้ว่างเหมือนอากาศหมายความว่าอย่างไงครับก็อย่าให้มีอารมณ์อยู่ในใจของเราที่ทําให้เราโกรธก็เพราะเรามีอารมณ์ข้างค้างอยู่ในใจของเราก็ทําใจให้เราว่างใช้คำอะไรการพูดโถพูดเถอะไปก็ทําให้ใจเราว่างพอใจเราว่างเรื่องของความโกรธมันก็จะหายไปคือเราอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธ ล บ, ล บ, ล, บลบความคิดหล่านี้ออกไปจากใจด้วยการใช้สติเข้าบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วคนที่เราโกรธมันก็หายไปหายไปใจเราก็ว่างใจเราก็สงบคุณฟาโรครับขออุบายบําเพ็ญสัจจะอธิษ ฐ, ฐานบา ร, รมีให้เข้มแข็งครับอาจารย์ ก็เวลาจะทําอะไรเราก็ต้องตั้งใจทํากันไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างอย่างพรุ่งนี้เราก็เราต้องรู้แล้ใช่ไหมว่าเราจะไปไหนมาไหนถ้าไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปไหนนั้นเราก็ต้องถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีเป้าหมายให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการเราก็ต้องคอยตั้งตั้งอธิษฐานอยู่เรื่อยการตั้งสัจจะอธิษฐานก็เหมือนกับการมีพวงมาลัยของรถยนต์ะ คำรถยนต์ถ้าไม่มีพวง้ําพวงมาลัยจะทำไงรถมันก็วิ่งไปตามตามตามเรื่องของมันมันจะไปทางซ้ายทางขวามันก็ไปของมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีพวงมาลัยแล้ววัดถ้าให้มันวิ่งตรงอยู่ในบนถนนนี้เนี่เราต้องการให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีแล้วก็ต้องตั้งอธิษฐานให้มันไปในทางของบารมีสิิ์หรือไปในทางของมรรคแปดนี้นี่เราตั้งอธิษฐาน แล้วเมื่อเราตั้งแล้วเราก็ต้องพยายามทําตามที่เราตั้งให้ได้คือเราต้องมีสัจจะไม่ใช่โลเลตั้งควาเหนียวพอถึงเวลาก็พอเจอความทุกข์ยากลำบากก็ล้มเหลวไปเลิกเ่องทําตามที่เราตั้งใจไว้อย่างนี้มันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีความเข้มแข็งขึ้นมาการที่จะทําให้มีความเข้มแข็งเราต้องเราจะต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้และถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องมีมาตรการ ป้องกันก็คือต้องการลงโทษตัวเราเองที่เราบอกเราจะนั่งสมาธิทุกวันพอดีวันนี้ไม่ได้นั่งเราก็ต้องจ่ายค่าปรับอะไรไปปรั500บห้าร้อยเอาเงินไปทําบุญห้าร้อยบาทสำหรับ ก, การที่เราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้บุญจากการนั่งสมาธิก็เอาบุญจากการทําบุญไปไปทําบุญห้าร้อยบาทอย่างนี้มันก็จะได้มีความเข้มแข็งต่อไปไม่งั้นมันจะโลเลยไปเรื่อย คุณนรินโชธครับถ้าเรานับถือพุทธแบบมหายานสวดมนต์พระญี่ปุ่นและศึกษาพุทธแบบพินยานคือคําสอนพระพุทธเจ้าไปด้วยพร้อมกันได้ไหมครับเพราะที่บ้านศรัทธามาตั้งแต่เกิดแล้วครับก็คําสอนของพุทเจ้าก็ถ้าเราศึกถ้าเราถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติซึ่งการสวดมนต์ก็สามารถสวดได้สวดมนต์แบบญี่ปุ่นก็ได้สวดมนต์แบบ เขาเห็นนนยายก็ได้การสวมดมนต์ก็เพื่อการเป็นการเจริญสตินั่นเองเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้เราหยุดความคิดถ้าเราไม่สวดเราก็นั่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เพิ่เจอเเพิ่อฝันไปได้ตลอดเวลาแื่พอเราเอามาสวมดมนต์ตั้งมันก็ไปคิดเพิเจอะเพิ่ฝันไม่ได้นี่นคือหน้าที่ของการสวมดมนต์ คุณครูนาครับยมสับสนเรื่องการสวดมนต์ไม่รู้จะสวดบทไหนดีฟังหลวงพ่อแต่และรูปพูดไม่เหมือนกันครับขอกลาวเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อยังเพิ่งตอไปเมื่อกี้เนี่ยการสวดมนต์นั่คืออุบายของการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดและหยุดความคิดเพื่อเจอเพื่อฝันอะไรต่งางๆถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้สวดมนต์มันเราก็นั่งคิดถึงคนนั่งคิดถึงก่นนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เศร้าบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างพุ่งส่้นบ้างแต่ถ้าเรามาสวดมนต์ความคิดเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือหน้าที่ของการสวดมนต์เพื่อคอยห้ามไม่ให้ใจเราคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจเราหยุดคิดคุณสุธารัตน์ครับบอกว่าได้ฟังพระอาจารย์เป็นบุญมากเวลานั่งสมาธิใจยังวุ่นวายยังคิดวุ่นวายอยู่ทาอย่างไรดีครับ ก็สวดมนต์ไปเลยเวลาถ้าเราทำสมาธิเราเราไม่สามารถดูลงและพูดโทดได้แล้วก็เราก็ต้องสวดบทิทีิีิโสไปก็ได้สวนบนไหนก็ได้สวดอะไรสั้นๆก็ได้ทั้งหล่ก็สวดพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกะชามิสังฆังสระนังกชามิก็สวดไปหลายๆรอบไปสวดไปจนกว่าใจจะหายวุ่นวายคุณลินครับ พ่อแม่อายุมากแต่ท่านยังสนใจทั้งโลกมากอยู่เราจะมีวิธีให้ท่านเข้าหาทางธรรมในชาตินี้ให้มากที่สุดอย่างไรครับก็มันเรื่องของเขาอ่ะมันไม่เราจะไปทําอะไรให้เขาได้อยู่ที่เขาก็ต้องการอะไรท่นเองเราจะชวนท่านไปวัดก็ได้เวลาเราไปวัดก็ชวนพ่อแม่ไปวัดไปไหมท่านนัดไปก็ไปถ้านนัดไม่ไปเราก็ไปไ ป, ไปบังคับทำไม่ได้ด คุณอู๊ดครับบางวันเราก็ขี้เกียจปฏิบัติภาวนาจะมีอุบายยังไงให้เราอยากปฏิบัติภาวนาตลอดครับต้องบอกว่าเวลาของเรามันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆต่อไปเวลามันก็จะเหลืน้อยลงน้อยลงการที่เราจะได้ปฏิบัติทำก็จะมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่องเราต้องรีบรีบทัดเสียเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่ คนเราไม่ว่าไม่ใช่จะจะจะแก่ตายกันทุกคนบางคนอยู่เพียงอายุไม่เท่าไหร่ก็ตายไปก็มีให้เราถึงความตายว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อทุกเวล า, วาเราอยา่อยามาขี้เกียจทําไมความขี้เกียจไม่ได้ทําให้เกิดอะไรประโยชน์ขึ้นมากับเราเลยคุณอูดครับถ้าชาตินี้เราไม่มีทุนทรัพย์ในการทำบุตร เราปฏิบัติภาวนาบูชาชาตินี้ถ้าเราได้เกิดอีกเราจะมีฐานะร่ำรวยเท่ากับคนบริจาคทุนทรัพย์มากไหมครับไม่หรอกถ้าเราเราได้ธรรมบา ร, รมีอย่างเลยนะึงถ้าเราไปบวชได้เราก็จะมีเนธธรรมบารมีติดตัวไปชาตินหน้าเราก็ทําบกมาบวชต่อไม่ต้องไปหาเงินหาทองมันจำเป็นจะต้อมีเงินทองไม่ต้องร่ำํำรวยคุณสุพันธ์หงครับ การนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยไม่เดินจงกรมเลยนี่ผิดหลักปฏิบัติไหมครับไม่ผิดหลักเราอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าเรานั่งเพียงแค่ครั้งเดียวครึ่งชัง่วโมงเนี้ไม่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไม่เดินจงกรมให้เสียเวลาแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี่ยเรานั่งสมาธิไปทั้งวันไม่ได้หรอกนั่งไปสักพังมันก็เมื่อยมันก็เจ็บแล้วก็ลดขึ้นมาเดินต่อท่านั่นเองเดินจงกรมเปลี่ยนนิริยาบุ แต่การปฏิบัติก็ยังต่อเนื่องก็คือการใช้ใช้สติก็ยังใช้ต่อไปเวลานั่งเราดูลมเวลาลุกขึ้นมาเราก็ดูท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเราก็ได้ได้ทำสมาธิ ต, ต่อไปในท่า ย, ยืนคุณไลโคพีนครับบอกว่าจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเคยสร้างบา ร, รมีหลายกลับแล้วครับก็เราเดินทางไหนแต่ตอนนี้เรามีความเด็นในทางไหนบ้างหรือไม่มีเลย ถ้าไม่มีอะไรก็แสดงว่าเราไม่ได้สร้างอะไรมาเลยคุณอำพรครับลูกให้เงินแม่ต่อมาแม่ป่วยคืนเงินให้ลูกบางส่วนลูกนำเงินที่แม่คืนไปบริจาคให้โรงพยาบาลโดยใช้ชื่อแม่ผามาหนึ่งเดือนแม่เสียชีวิตขอถามว่าแม่ได้บุญจากเงินบริจาคนั้นไหมครับถ้าเป็นเงินของแม่ แม่ต้องเป็นคนสั่งเองถึงจะได้บุญถ้าเราไปทำํำเองโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่ก็จะไม่ได้บุญแต่อย่างใดคุณก้อยครับปฏิบัติต่อเนื่องมาสมปีรู้สึกว่าช่วงหลังๆไม่ฮึกเหิมเท่าช่วงแรกๆจะมีวิธีการปักคองปฏิบัติให้อย่างไดให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งครับส่วนนึ้นก็เคยอยู่ที่การเติมพลังการเติมศรัทธาเติมฉันทามิริย การจะเต่งฉันทะวิริยะกษ์ก็คือต้องเข้าหาผู้รู้ไปหาครูบ า, าจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมไปสนทนาธรรมกับท่านเป็นระยะระยะเพรทุกครั้งที่ได้ไปพบกับผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วได้คุยธรรมะได้ฟังธรรมะของจริงนี้มันจะกระตุน้นอิธิบาตของเราคือฉันทาวิริยะให้เกิดพลังขึ้นมาอยู่กับครูบาจารย์ที่ท่านพยายามอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆ สมัยที่ไปอยู่กับงตาเนี่ยท่านยุคที่ท่านไม่ค่อยมีภารกิจยอดญาติโยมเนี่ท่านจะอบรม้านทุกสี่ห้าวันแล้วก็เรียกประชุมทีละเรียกว่าสัมมาสารมาเล่าเรื่องของการปฏิบัติทั้งเล่าเรื่องทั้งเหตุทั้งผลให้ฟังฟังแล้วจิตใจมันก็มีพลังขึ้นมามีความเพลิดเขลินขึ้นมาพอไม่ได้ฟังธรรมชั่วระยะก็รู้สึกเฉาเหมือนต้นไม้อะต้นไม้เวลาได้น้ําทุกวันมันก็มันก็มันก็สดสดใสดชื่นเลย พอไม่ได้ไดน้ำมันก็ิ่มเหี่ยวเริ่มเชาลงไปจิตใจก็เหมือนกั น, น, นการได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่กับภาพที่รู้จริงเห็นจริงนี่มันมีคุณปมีประโยชน์มากเพราะฉันจะคอยกระตุ้นเนื้อจันทวิทยาเราให้มีขึ้นมาอยู่ด้วย อาจารย์ฟังธรรมหลวงตาที่ศาราหลังหลังนั้นเลยไหมครับอั้งใหญ่นั้นเมื่อก่อนจะไม่จะใช้ชั้นชั้นชั้นบนเป็นอย่างเดียวชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนไม่มีอะไรไม่ได้ใช้เพราะตอนนั้นคนมาทําบุญไม่มากครับมาทําบุญไม่มากแล้วก็พระก็ไม่มากครับตอนนั้นก็มีแค่เศษกว่ารู้ท่านเองเวลาเวลาฟังธรรมก็จะฟังตรงช่วงโครงการที่ท่านนั่งตรงชัน้นชั้นสูงสุด ศาลาท่านหลังเป็นสามชั้นเลยไหมชั้นที่พระนั่งแล้วก็ชั้นที่ขั้นระหว่างชั้นที่อนำยบจะนั่งไม่มีไฟฟ้าอะไครับอ า, ออสส า, าอจารย์ไม่มีไฟฟ้าไปถึงนเป็นจุดทูบเทียนที่พระพุทธรูปไว้สองดอกจุดจุดเทียนไว้สองดอกจุดทูบเสร็จแล้วท่านก็สายพอไม่ต้องใช้แสงแสงแสงสว่างเวลาแสดงธรรมไม่ต้ใจ้ไฟกรโฟนไม่ต้องไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไร มีแต่จุดยากันยุงกันต้องทำให้ยุงเยอะนะยากันยุงไล่หน่อคุณประมูลครับอารหัตผลเพชคารวาตอุบาสกอุบไสกาสามารถบรรลุธรรมขั้นนี้ได้ไหมครับได้ทั้งนั้นหนามไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ไดไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ว่าสามารถเจริญสติปัญญาระดับ ท่านของอาลัตามาลได้รับบาปท่านเองคุณกีจกมลครับการปล่อยปลาหน้าเขียงได้บุญหรือได้บาปครับถ้าขนาดนั้นเขากําลังจะหมดกรรมแล้วเราเอาเขาไปปล่อยครับอ๋อได้บุญเนี่ยเราได้บุ ญ, บญแล้วเขาก็ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะไม่รู้ยังไงว่าเขาหมดกรรมหรือยังคุณเบิร์ดครับ ถ้ารักษาศีลโดยไม่อาราธนาศีลก่อนได้ไหมครับการอาราธนาศีลก็คือการตั้งใจรักษาศีลนั่นเองความหมายของควาว่าอาราธนาก็คือข้าพเจ้าจะขอรักษาศีลดังั้นทุกครั้งที่เราจะรักษาศีลเราก็ต้องเราก็ต้อ ง, องมีความตั้งใจก่อนใช่ไหมอยู่ดีๆจะไปรักษาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้หรอก่กอนจะทำอะไรใจต้องคิดก่อนที่ว่าวันนี้เป็นวันพระเราจะรักษาศีลหน้า อันนี้ก็ถือว่าอาราธนาแล้วคือไม่ต้องไปทําวิธีไม่ต้องไปทําวิธีตั้งมนะนุโมมะยังพันเตติสราเนนสหาวันจะศีลาริยาจามะ ไ, ไม่ต้องไม่ต้องทําวิธีเียวแต่ให้เราตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้เราจะรักษาสีนะ่ห้าพอตั้งเสร็จแล้วก็รักษาไปตามสัจจะที่เราไล้ตั้งไว้เท่านี้คุณสายอุดมครับ คนบรรลุสโสดาบันหรือแต่ละขั้นจะรู้ตัวเองไหมครับหรือต้องมีครูบาอาจารย์บอกครับเรู้เองไม่ต้องมีครูบาอาจารย์บอกคุณบุญประเสริฐนถามว่าพรุ่งนีพระอาจารย์บิณฑบาตไหมครับตั้งใจจะไปสายจากสระบุรีครับก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์สุดวิสัยเข้าไปทุกวันถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรทําให้ไม่สามารถไปได้ก็ก็จะไปอยู่ทุกวัน คุณแม็กครับเราสวดมนต์ไหว้พระและพยายามทําดีแต่หากจะมีความคิดในบางครั้งที่ติดอยู่ในบางสิ่งที่ไม่ดีถือว่าเป็นบาปไหมครับถ้ายังไม่ไปทํามันก็ยังไม่บาปถ้าเราคิดไม่ดีก็เป็นเพอกุศลที่เราพอเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ะระงับมันไปถ้าเราไม่ไปทําตามที่เราคิดมันก็ยังไม่บาปก็ยังไม่เกิดเช่นคิดจะฆ่าสัตว์แล้วเราไม่ได้ไปทำนี่บาปก็ยังไม่เกิด ยอดตาขุน ค, ความคิดที่ไม่ดีในใจคนนิมครับที่ทํางานมีคนประเภทเห็นแกตัวเอาเปรียบคนอื่นทํางานกินแรงคนอื่นคนประเภทนี้จะได้รับกรรมอย่างไรบ้างไหมครับเกลียดและไม่อยากเจอมากตัดสินใจลาออกแล้วเราไม่ทุกถูกต้องไหมครับก็ถ้าเขาทำทำบาลด้วยความโ่วมันก็จะไปเกิดมาเป็นไป คุณเติมศักดิ์ครับถามเรื่องภระศรีอานครับว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงอย่างไรบ้างไหมครับมีส่วนจริงไหมครับก็เราก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ทราบว่าท่านเป็นผู้ปยากรเนี่ยาจะมีพระพุทธเจ้าองมต่อไปมาเป็นพระพุทธเจ้าต่ออย่างท่านแล้วก็มีชื่อภระศรีอานทำนองนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกคุณนุ้ยครับ ไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบนั่งสมาธิมากกว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าเราเราเราถนัดการนั่งสมาธิไม่ถนัดการสวดมนต์ก็ท่านั้นเองคุณสุจิตราครับถ้าเราเปิด youtube สวดมนต์แล้วฟังแบบนี้เราจะได้บุญเหมือนสวดเองไหมครับจะส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรได้ไหมครับ คือเรื่องการอุทิศบุญนี้ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของการสวดมนต์และการนั่งสมาธิได้อย่างไรวิธีที่จะอุทิศบุญได้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนี้มีการสอนให้ทําบุญทําทานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทราบว่าจะตอบจะถูกหรือไม่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิหรือสวดมนต์แล้วสามารถ คุทิศบุญที่เราได้จากการส่วนมรดิี้ให้กับผู้ตายไปได้ไหรือไม่นนี้ไม่ทราบตอบไม่ได้ไไออไไดคุณอภิวัตรครับการดูตัวรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกวิธีไหมครับคือการดูตัวรู้ไปนี่ต้องดูว่าตัวรู้กำลังคิดเรื่องอะไรถ้าคิดดีก็ปล่อยให้มันคิดไปถ้าคิดไม่ดีต้องหยุดมันให้ได้ ไม่ใช่ดูรู้เฉยๆไปเพียง อ, อย่างเดียวคุณมารีครับการที่มีคนโดนคุณใส่หรือมีช่วงที่พบมรสุมชีวิตที่ทุกข์เป็นวิบากกรรมที่เราสร้างไว้ใช่หรือไม่และจะหลุดพ้นได้หรือไม่ครับก็คนเราก็มีมีดีมีชั่วสลับกันไปชีวิตก็มีขึ้นมีลงอันนี้จะมองว่ามันเป็นเรื่องของกฎของตายรักก็ได้ ทุกคนอยู่ในโลกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างมันนาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมก็ได้เช่นช่วงที่มีโควิดนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับวิบากกรรมของเราหรอกใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของโลกโลกก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเปลีป่ยนแปลงในทิศทางที่ดีก็มีเปลีป่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีก็มีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาของโลก เป็นกอดของตายละส่วนถ้าถ้ามันเป็นเจว่ยวเฉพาะตัวเราคนเดียวคนอื่นก็ดีหมดแต่เราไปไม่ดีคนเดียวนี่อาจจะเป็นวิบากกรรมของเราครับคุณผููดีครับเรียนถามประโยคในพระไตรปิฎกที่บอกว่าเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและปฏิคมไฟแก่สมณะหรือพราหม์ เขาถามว่าคําว่าระเบียบของหอมเครื่องรูปไร์คือการให้อะไรแก่สมณะหรือพรามครับระเบียบหรืออันนี้ไม่ทราบความหมายเหมือนกันนะก็เป็นของของหอมของอะไรของใช้ต่ตางๆนั่นเองที่ของที่ควรจะถวายก็ของที่ที่เหมาะกับสมณะบริโภคแต่ถ้าเป็นน้ําหอมนี่ก็ไม่ควรจะถวายให้กับพระือ พลาทำให้นั้นไม่เสกไม่เสบความหอมกลิ่นหอมมันเป็นกิเลสมันกลางฉันท่าอาจารครับพวกสบู่ที่มันหอมหอ ม, มีสมัยก่อนมีต้องใช่ยังไงอะครับอาจารย์เคยน้องตาใช้สบู่สันลายกันได้ยินอย่างนั้น่ไหมครับท่านใช้จริงๆนะท่านไมนใช้สบู่สันไายท่านไม่ใช้สบูสสบ่ที่มีกลิ่นหอมครับผม คุณแนนนี่ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปรารถนาพุทธภูมิไม่ใช่สาวกภูมิแล้วจะลาพุทธภูมิได้อย่างไรครับก็เพียงเพราะเรายัางไปติดอยู่กับการช่วยเหลือผู้อื่นก่อนถ้ามันจะไปไปพุทธภูมินี้มักจะมีความเมตตาพยายามเจริญเมตตาเป็นหลักก่อนถ้าไม่มีความเมตตาก็ต้องคอยดูแลคนอื่นก่อนก็เลยไม่มีเวลาที่มาดูดูตัวเองเพราะเวลาที่มัน ปฏิบัติทาให้กับตอนนั้นก็ไปคิดว่าเห็นกัดตัวไม่ไม่ไม่ห่วงคนอื่นไม่สงสารคนอื่นเลยอย่างอย่างตัวอย่างคือหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ท่านก็นก อ, อให้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยๆพาคนอื่นปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆช่วงนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหานแต่ท่านได้สมาธิท่านมีทิริตท่านก็สอนให้คนฝึกสมาธิอะไรกันมีศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหา ยอะแยะไปหมดจนกรทางอายุเข้าวัยหกสิบแล้วมั้งท่านหมดยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยท่านก็นเลยว่าไม่ไหวแล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จได้ท่านก็นเลยทิ้งหมดเลยทิ้งลูกศิ์ลูหาต้อไปเปเรียบวิเวงอยู่ในป่าในเขาคนเดียวที่เชียงใหม่เจ้าระยะเวลาหกสิบถึงเจ็ดสิบมั้งที่ท่านเปบรรลุธรรมในที่บน ท, ที่เชียงใหม่ในป่าที่เชียงใหม่ หลจากที่ท่านบรรลุธรมแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไปขออาธานาให้ท่านช่วยามาโปรดที่นี้เข้ามาได้นะเพราะท่านเสร็จงานของท่านแ่ะตอนต้นท่านก็เป็นติดพุทธภูมิท่ได้ได้ยินว่าเขาเล่าให้ฟังว่าท่านก็พูดเองว่าท่านติดความเป็นพุทธภูมิอยู่แต่การไปติดพุทธภูมิมันต้องไปคอยดูแลคนอื่นเลยไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติกิจของตัวเอง ก็เลยต้องตัดความปรารถนาในพุทธภูมิเพราะตอนนี้เราไม่ต้องสร้างพุทธไม่ต้องสร้างบา ร, รมีเหมือนตอนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าเวลาไม่มีพระพุทธศาสนาเราไม่รู้เราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้มันรู้มากผลนที่ผ่านเราก็เลยคิดว่าต้องสร้างบา ร, รมีต่างๆเช่นเช่นเมตตาบา ร, รมีอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พระคบสอนแล้วท่านบอกว่าให้ไปที่ ให้ปัญญาบรารมีเลยให้ไปสร้างให้สร้างอุเบกขาบรารมีปัญญาบรารมีเลยท่านก็เลยไปไปิดกตัวการจะสร้างอุเบกขาบรารมีปัญญาบารามีก็ต้องไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเปรียกเว่ อ, อยู่คนเดียวอยา่างที่อยา่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นในพระโอวาทปฏิโมกข์นะนั่งเถอะไปหาที่นั่งที่นอนสงบสงัดอยู่ตามลําพังไ ป, ไ, ปไปเปิดยกเว่ย อ, อย่าไปช่วยเหลือนคนนั้นคนนี้ อย่าไปเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้อย่าไปคุกคีกันท่านก็นเลยต้องละความปรารถนาที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆแล้วก็เปลี่ยนมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาด้วยการไปปีกไม่เวงแล้วท่านก็บรรลุธรรมได้คุณการครับการสวดมนต์เป็นการสรนเสริญบุคคลที่คุณบูชาไหมครับ ก็<ระ>บทส่วนมนบังบดเขาก็เป็นการแต่งวพื่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนีส่วนบทพระพุทธกุณพระธรรมคุณพร ะ, พรพระสัสงฆคุณคุณนกครับการเลี้ยงวัวและส่งต่อไปให้คนอื่นเลี้ยงขุนต่อเพื่อส่งรงค์าสัตว์บาปไหมครับแล้วก็มีส่วนที่จะทําให้เขาต้องมีการสูญเสียชีวิตไปก็ไม่ควรกระทําถ้าเราจะเลี้ยงเขาแล้วก็ ให้เขาอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องถูกข่าก็ก็ใช้ได้แต่ทางที่ดีเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้เขาไปหากินอยู่แต่ให้เขามีอิสรภาพของเขาเองจะดีกว่าปล่อยเขาไปอยู่ถ้าเขาถ้าเขาสามารถอยู่โดยอิสรภาพได้หากินยามอยู่ให้ให้เขาปล่อยเขาไปดีกว่าก็เหมือนกับเราถึงแม้เราจะเลี้ยงเขาอย่างดีแต่เราก็ยังกักขังเอาไว้ในครอบมันก็ยังเหมือนจะเพราติดคุกติดตารางดีแนี่ าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยการจับเขาขังไว้ในกรงนี้มันก็ได้ทั้งเมตตาแล้วได้ทั้งความไม่เมตตาคือไม่สงสารกับสงสารเขาด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่สงสารเขาไม่เห็นความที่เขาอยากจะมีอิสรภาพทำอะไรตามความที่เขาปรารถนาเราก็ไปกับขังเขาไว้ ช่างสักลายครับการนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธจนถึงระรดับใดจึงจะเกิดเห็นปัญญานีจ่จะเกิดเห็นได้ปัญญาได้ครับไม่เกิดเลยการนั่งสมาธินี่ไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดปัญญาการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบให้จิตนิ่งสงบแล้วเกิดอุเบกขาอื่นใจวางเฉยกับอารมณ์ต่างๆไนดะมีอะไรมาสัมผัสมากระทบกับใจก็นิ่งเฉยได้ใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉย ไปจะขโมยข้าวขโมงขโมยของไปก็เฉยอย่างนี้ต่างหาคือผลที่ได้จากการนั่งสมาธิทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการที่จะเกิดปัญญานี้เราต้องคิดต้องศึกษาเรื่องต่างๆเช่นพระเจ้าสอนให้เราศึกษาเรื่องขันห้าให้เราศึกษาให้รู้ว่าร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นของไม่เที่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพิรณศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจว่าเขาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่ควรไปถือว่าเป็นของเป็นตัวเราของเราเพราะถ้าเราไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราจะทุกข์เพราะเราอยากเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่สามารถ กำหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะก็เป็นเรื่องเขาเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เล่าเป็นไปตามตามธรรมชาติของเขาคือเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ถ้าเราไปริดไปถือว่าเป็นของเราเราก็อยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราเกิดความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยวางเขาให้เป็นเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาต้ปล่อยให้ก็เป็นไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกใจวิญญาณในศาสนามีไว้เพื่อดับความทุกข์ <c oughs> ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความโง่เกิดจากความอยากคุณไตรตาครับถ้าคุณแม่รักพี่ชายและขอยช่วยเหลือพี่ชายตลอดส่วนเราเป็นน้องสาวแม่ไม่สนใจเลย ควรทําใจอย่างไรและปฏิบัติกับแม่อย่างไรครับก็รักแม่เหมือนเดิมอ่ะคือเราต้องมองแม่เราต้องมองส่วนที่ไปท่านท่านมีพระคุณกับเราเพราะแม่มีพระคุณต่อเรามากส่วนท่านจะรักเรามากน้อยกับเท่ากันหรือไม่นี่ก็มันก็เป็นเรื่องของกันของท่านแต่พระคุณของท่านที่ให้กําเนิดเรามาเลี้ยงดูเรามาให้เรามีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่เรา จะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณได้อย่างอย่างอย่างหมดจดได้ส่วนการที่ท่านจะไปรักใครชอบใครนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะมีบุญเคยร่วมบุญกันมาในอดีตชาติก็เลยทําให้เกิดความรักความชอบกันขึ้นมาฉะนั้นเราอาจจะเคยร่วมกรรมกันมาเคยเป็นคู่อะไรกันมาเคยทําอะไรกันมาก็อาจจะทําให้ท่านไม่รักเราไม่ชอบเราก็ได้ แต่อย่างน้อยท่านก็ไม่โหดร้ายทางดุจําเรากดน้ําเวลาเราออกมาจากท้องท่านก็สั่งเลี้ยงดูเรามาจนเ ต, ติบโตเราก็ต้องมองส่วนที่ดีของท่านไปส่วนที่เราคิดว่าไม่ดีเราก็ต้องให้อภัยท่านเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความความความรู้สึกเนี่ยซึ่งบางทีตัวเราเองอาจจะทําตัวเราไม่น่ารักก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมตัวพี่เขาจะทําตัวเขาหน่ารักเขาเชื่อฟังเขาอะไรอ่อนน้อม เราอาจจะไม่ทําตัวแบบเชื่อฟังเดื้นั้นคอยทําให้ท่านรู้สึกปวดหัวอยู่เรื่อยอย่างนี้ท่านอาจจะไม่ชอบเรามันก็ชอบอีกคนหนึ่งก็ได้อันนี้เราต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่ใช่ว่าพอเป็นลูกแล้วจะต้องให้ความรักความชอบเท่ากันทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณสมบัติของแต่ละคนว่ามีมีคุณสมบัติที่ทําให้คนอื่ารั ก, เ ข, กเขาชอบเราหรือเปล่าคุณคินครับ วันนี้ไปวัดมาเห็นที่ใส่กระดูของคนตายมีชื่อมีรูปติดอยู่มีทั้งเด็กคนแก่เลยที่ตายเลยเห็นธรรมว่าคนตายไม่เลือกเพศเลือกวัยเลยครับคุณครูนาครับแม่มีของมีค่าหลายอย่างที่ท่านเก็บไว้ก่อนตายเราเอาของแม่ไปทําบุญแม่ได้บุญไหมครับต้องแม่สั่ ง, งเป็นการความยำเละของแม่ต้องเป็นความคิดของแม่ถ้าแม่แม่จะสั่งเราไปทําบุญเนี มันก็ไม่ ไ, มได้ผลใดอย่างไดคุณไลโคพีนครับถ้ารู้สึกว่ากรรมฐานกองไหนดึงดูดเราก็เปลี่ยนไปทํากองนั้นแบบทุ่มเต็มที่ได้เลยใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่ามันทำลลแล้วได้ผลหรือไม่ถ้าเราใช้พุทโธแล้วไม่ได้ผ ล, ลเราใช้อย่างมีคนหนึงบอกว่าใช้กระโหลกศีรษะเป็นอารมณ์แทนพุทโธเราได้ผลนี่เราก็เราก็ใช้อารมณ์นั้นแทนก็ได้ กรรมฐานมีอยู่40ชนิดด้วยกันให้เราสามารถเลือกเอาชนิดที่ทําที่เราถนัดที่ทําแล้วเราได้ผลเราก็เลือกกอ็อย่างนั้นก็ได้คุณสรวิทครับการจเจริญ อ, อรหัตธรรคคือเดินอย่างไรครับก็ต้องพิจารณาจิตไงเราต้องผ่านการพิจารณาร่างกายปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางการมโลม ในการที่อยากจะเสพร่างกายของผู้อื่นเจ็บสุขกับร่างกายของผู้อื่นให้ได้ก่อนเมื่อเราผ่านร่างกายไปได้แล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องของเรื่องของจิตใจของเราที่ยังมีการแปรป่วนยังมีความสุขมีความทุกข์อยู่เราก็พิจารณาให้เห็นว่าเขาก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องไม่แน่นอนเป็นของอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตวนเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เขาสุขอย่างเดียว มีอารมณ์ดีอย่างเดียวเราก็จะทุกข์เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเราต้องพิจารณาเรื่องเรื่องของจิตใจและเรื่องของความหลงที่ไปคิดว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นตัวเป็นตนตราต้องเข้าใจว่าความจริงมันไม่มีตัวตนในในผู้รู้ผู้คิดแต่อย่างไดเป็นเพียงแต่ธรรมชาติที่คิดได้รูไ้ได้แต่ไม่มีตัวตนที่คิดหรือที่รู้ คุณนทักษภักด์ครับกรณีผมเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขมีเห็บเกาะผมดึงเห็บออกโดยไม่ฆ่าเห็บตรงนี้จะผิดหรือไม่ผิดเช่นใดบ้างครับไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่เป็นฆ่าเห็บเดีวนเอาเอ า, เอาเห็บไปปล่อยที่อื่นต่อไปให้เอยู่ไม่ไม่ไปเบียดเบียนกับสุนัขที่เราเลี้ยงอยู่ทําได้คุณนิสาบอกปกติไม่ฆ่าสัตว์เลยแต่ช่วงนี้ต้องดูแลคุณย่าแล้วมีมดบนที่นอนกลัวมดกัด คุณย่าโยมเลยต้องฆ่ามดบาปไหมครับว่บาปถ้าข้างก็บาปไม่เอาไปเอาไปปล่อยไม่ได้ครัเอาเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ที่นอนไปไปเอาเอาไปเอาไปสะบัดที่นอนให้มมดมันออกไปแล้วก็เอามาปูเลยคุณแคทครับเวลาไปปฏิบัติเขามักจะให้ถือศีลแปดแต่ถ้าเราไม่สะดวกอารัธนาศีลห้าแต่ไม่ทานอาหารหลังเที่ยง ได้ไหมครับก็ต้องเป็นถามที่เราไปปฏิบัติเนี่ยก็ก็มีกฎมีระเบียบถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบถ้าก็รู้ก็อาจจะไม่ให้เราอยู่ก็ได้นี่ต้องคุยกับเขาก่อนว่าเราไม่สามารถรักษาสิบแปดได้ถือสิบห้าอยู่ได้ไหมถ้าก็อยู่ได้ก็ทําได้อันนี้แล้วแต่สถานที่ที่เราไปอยู่ด้วยคุณอัมพรครับ สุนนะักคาบอึ่งอ่างแล้วโยนเล่นเราตีหมาให้เพื่อให้ปล่อยอึ่งอ่างบาปไหมครับไม่บาป เ, เป็นการห้ามบาปคุณสมพิศครับการที่เราถูกหลอกลวงให้หลงเชื่อแล้วเราพบเจอกับสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ควรจะใช้วิธีวางจิตหรือใช้หลักธรรมอย่างไรดีครับ เ, รอเอานาความจริงมาใช้เนี่ยถ้าเราถูกหลอกให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเราก็ต้องเอาหาความจริงมา เราลูกความจริงเป็นอะไรแล้วเราก็จะไม่ทุกคุณนุ้ยครับบอกว่าชอบฟังธรรมจาก youtube มากกว่าไปที่วัดเพราะรู้สึกคนเยอะและวุ่นวายขอข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบด้วยครับก็แล้วแต่เราว่าถ้ า, าฟังแล้วเราได้ประโยชน์แบบไหนแล้วก็ใช่แบบนั้นไปเท่านั้นเองบางคนได้ประโยชน์จากการไปฟังที่วัดเขาก็ไปที่วัดบางคนอยู่ที่บ้านฟังที่บ้านได้ประโยชน์เขาก็อยู่ ได้ทั้งนั้นนะรูปแบบไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจคุณวรรธนาครับบอกว่าตราบใดที่ยังต้องดํารงชีวิตการบรรลุทางธรรมจะเกิดขึ้นได้ไหมครับได้ก็ทุกคนก็กต้องดํารงชีวิตด้วยกันไม่ไม่มีใครไม่ดํารงชีวิตะชีวิตของแต่ละคนก็ต้องมีการดูแลรักษาเลี้ยงดูกันพแต่เราจะเลี้ยงดูขนาดไหนนั่นเอง เลี้ยงดูแบบคลรวาวาสมัก็เลี้ยงดูแบบเต็มร้อยไปเลยก็มีเวลาเท่าไหร่ก็เอาไปให้กับการเลี้ยงดูดำรงชีวิตอย่างนี้มันก็จะไม่มีเวลาไปไ ป, ไ ป, ปฏิบัติธรรมถ้าเราต้องการบรรลุธรรมเราก็ต้องเลี้ยงดูชีวิตเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองเช่นเป็นพระไปบวชเป็นพระก็เลี้ยงดูชีวิตด้วยการไปบิณฑบาตหาอาหารมาเลี้ยงวันละหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้กับการหา ส่นที่อยู่อาใั้ก็มีอยู่แล้วเครืงนหมก็มีอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บค่ายได้เปืดก็ไม่ต้องใช้ย า, ารกักษาโรคมันก็ไม่ต้องมันก็จะมีเวลาที่จะมาให้กับการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมได้มากาการจะบรรลุทางธรรมนั้นต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้เวลาให้กับการเลี้ยงดูชีวิตให้น้อยที่สุดเท่าเท่าที่จําเป็นใช้เท่าที่จําเป็นนอกกนั้นเอาวเวลาทั้งหมดมาให้กับการปฏิบัติธรรม มันก็บรรลุธรรมบนรลุธรรมได้คุณแรดครับควร ช, ชีวิตหนูมีอุปสรรคมากเจ็บป่วยหลายโรคไม่มีไรายได้จากการทํางานเหมือนที่เคยมีต้องการความช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้แม้จากคนในครอบครัวไปอยู่วัดก็ลําบากมากในการพึ่งตนเองและไปเจอคนในวัดหลายๆคนก็ร้ายกับเรามากๆ ท, ท, ทั้งๆที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกใจแคบไม่ช่วยเหลือทั้งๆที่เราก็ทําบุญกับวัด พยายามคิดว่าเป็นมิบัตกก ร, รมจากชาติก่อนแต่จิตก็ยังไม่ยอมสงบลงครับก็พยายามใช้พุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธอย่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งฟุ้งซ่านไปมาไม่เกิดประโยชน์อะไรหยุดความคิดเสียแล้วปัญหา้เหล่านี้ก็จะหายไป คุณแม็กครับเวลาผมขับรถทางไกลแล้วเจอสัตว์ที่ตายข้างทางเราแผ่เมตตาให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาจะได้รับไหมครับไม่ได้หรอถ้าเขาตายไปแล้ว เ, เขาก็ไปตามบุญตับกรรมของเขาไม่ได้อยู่ที่การแผ่เมตตาของเราคุณสรุตครับ ภาวนาอาณ า, าปานสติครั้งละประมาณสี่สิบนาทีมาประมาณปีกว่าๆมีสงบบ้างเห็นการเกิดดับของจิต บ, บ้างแต่กายสังขารไม่สามารถระงับได้ยังไม่สามารถเข้าอุปจาระได้ขอคําแนะนําอ่ะพระอาจารย์ครับก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นต้องทําสติก่อนที่เรามานั่งสมาธิพยายามทำสติช่วงที่เราไม่นั่งสมาธิแล้วก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ พยายามพมริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเลิกคอยเฝ้าดูงานที่เราลองทําอยู่ให้ใจเราอยู่กับงานที่เราทําอยู่กับการเคลื่อนไหวของรา่างกายไปอย่าให้อย่าให้คิดได้ยินดีให้รู้เฉยเฉยใหรู้ว่าเรากําลังเดินไม่ใช่เดินไปแล้วก็คิดไปให้รู้ว่าเราเดินแล้วอย่าคิดถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็อย่าคิดหยุดคิดให้ได้ถ้าเราฝึกสติหยุดคิดไว้บ่อยๆ พนันั่งสมาธิพนักนั่งใด้งานขึ้นสงบได้มากขึ้นคุณการดีครับขอความรู้เรื่องการดูดวงของหมอดูว่าสมควรหรือไม่อย่างไรครับไม่รู้เรื่องของหมอดูเลยเราไม่สามารถตอบได้คําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักมีทำมาข้อไหนทําให้แม่รู้สึกปล่อยวางได้มากที่สุดครับก็ให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเป็นทองไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาอาจารย์ขอบกาณครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ใน facebook 835คนใน y o u ูทูบ611คนในครับเฮาส์8คนครับมีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 1,454 คนครับอาจารย์ครับ แต่วันนี้ก็ลดลงมาหน่อยนะอ น, นุรักษ์ขึ้นไปถึงพันแปดก็เป็นเรื่องของกฎอนุจรมีไม่มีความไม่มีความเที่ยแท้แน่นอนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา <Okay. S 1> ก็มีใครก็ยังดีที่ยังมีผู้ติดตามอยู่มีความสนใจยอยู่ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการได้ฟังการสนทนาธรรมในคืนนี้และนํำมาไปใช้ในการปฏิบัติให้ได้ดีขึ้นไปตามลําดับต่อไป การสนทนารมสลอบคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าเรียนทำยิ่ยงขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่นี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องแอย่างใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพร ขอบคุณพรอาจารย์ครับ